ทุกกนิบาตอย่างเงี้ยนะก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อย 2 บรรทัดเนี่ย 2,000 บรรทัด 2,000 บรรทัดเรียกว่าพันคาถาเรียกคาถาพัน พระเวสสันดรชาดกจะเสื่อมก่อนเพื่อนเนี่ยในบรรดาคัมภีร์ที่เสื่อมก่อน ถามว่าทําไมจึงเสื่อมก็ด้วยเหตุผลหลายประการเนี่ยนะเหตุผลหลายประการประการ ทชาดกท่าจะว่าให้ตรงก็คือการแสดงถึงปุ puns at j wi a k t h a ca ปุ puns at j jeśliรายاطของพพุทธเจ้า ปุ fa4 แปลว่าก่อน q to sam q k r a y are k o n r y a k o μάi q k kha d u o ns c vo p u p � pв a s h a k t r y a ชาติใดชาติหนึ่งขณะใดขณะว่าตัดเหตุตัดปัจจัยไม่พร้อมก็จะไหลอย่างนี้ไปโดย ทีนี้เมื่อสังสารวัฏที่เป็นไปเช่นนี้เนี่ยนะมันไม่มีที่จบ เนี่ยเห็นภัยของไอ้การเป็นไปในคิด จะมีทางไหนบ้างเนาะที่จะทําให้เรานี้พ้นจากการเวียนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่ รู้ทางออกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็รู้ทาง <iad> เธอว่า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 ก็บอกว่าลมเนี่ยเต็มก่อนมหากับยังถ้า 1 ว่า 2 แบบนั้น 3 กับ 4 กับไล่ถ้าเลข 0 1 ตัวเรียกว่าหลักสิบเลข 0 2 ตัวเรียกว่าหลักร้อย เลข 0 5 ตัว 6 ตัวหลักล้านมากขึ้นตัวนี่เรียกหลักอะไรนั่นแหละเรียกว่าแล้วอสงไขยอย่างนี้เนี่ยนะ 20 อสงไขย 20 อสงไขยเศษแสนกับตอนนั้น เนี่ยนะทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาเวลาเราทําบุญเราจะตั้งว่าเอ่อ ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเราหรือสัตว์ทั้งหลายก็ทุกข์เช่นกันฉะนั้นหนอเรา เคยมีหลายเรื่องมั้ยใครทําอะไรแล้ว 7 อสงไขยเนี่ยนะ 7 อสงไขยแล้วก็ทีครบ 7 มีหลาย 1 เนี่ยนะ มันคนที่ตั้งวาจาแบบนี้เนี่ยถามว่าตั้งได้มั้ยตั้งอ่ะตั้งได้แต่ว่าจะได้หรือ 9 อสงไขยเนี่ย 9 อสงไขยบวก ทีนี้พอครบเนี่ยนะก็ย้อนมาถึงว่าถอยหลังจากนี้ไปสัก 4 อสงไขยแสนกลับใช่มั้ยเอ่อคนที่ตั้งความปรารถนาคนนี้แหละที่เราเรียกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ ก็เมืองกรุงเทพฯก็คือเมืองอมรวดีนั่นแหละนะของเราก็มีอมรวดีเนี่ยนะ คิดถึงวันแล้วธรรมะที่ทําให้ไม่เกิดไม่ อันนี้คิดเองมั้ยนั่งคิดเองว่าเอ๊ะเมื่อการเกิดไอ้ความไม่ อย่ากันนั้นเลยเราก็ต้องควรจะแสวงหมดก็คือสมเราเนี่ยควรออกแล้วแล้วทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดทําไงอย <_' c ười> อยอย 80 โกศโบราณเนี่ยทํายังไงดี <_' c ười> แต่ก็เลยตีกลองเนี่ยนะ 5 ถาม 7 วัน เราเนี่ยมันจะ 7 ปีเลยยังไม่ทันอะไรเลยนะจะ 7 ปีจะ 2 รอบแล้วยังไม่ทันไป 7 วันแสดงว่าการศึกษาของท่านสมัยที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยเรียนมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะสํานวนว่าเหลือแต่ภาคปฏิบัติเหลือแต่จะเอาไปเจริญเท่านั้นเองแต่โดยการเรียนรู้ 7 วันก็ชํานาญทีนี้เมื่อ ก็ชีวิตก็มีความสุขอยู่ๆก็เน้นแต่การเข้าชานออกชานเข้าตามลําดับชานเนี่ยนะก็บอกว่าๆ จน 5 ได้อภิญญา 5 ก็คืออย่างเช่นอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้อย่างหนึ่งนะ แต่ว่าปุพพานิมิตนี่แก่ไม่รู้เลยเช่นว่าพระพุทธเจ้านี้ นะพอประสูติแล้วครองเรือนไปจนถึงได้ออกนะ นะรัมมะวดีนี่พอมามานึกไอ้ประเทศไทยนี่มีหรือเปล่าชื่อชื่อเมืองนี้เมืองรัมมะวดีเนี่ยนะเอ่อรัมมะนครนี่มีมั้ยพวกการประเทศไทยมีมั้ยก็บุรีรัมไงนะนะกับเมืองบุรีรัมอ่ะ yeah, <repe medio normalmente> <tiny> <peopleomon> <tiny> เสร็จแล้วก็ฤาษีนี่ก็เหาผ่านไปชาวเมืองนั้นเค้านิมนต์มามามาทําบุญที่เมืองเนี่ย พอได้ฟังคําว่าพระมาเนี่ยพอได้ฟังเท่านั้นก็ พอได้ฟังคําว่าพุทโธปั๊บจะปลื้มจะปล่อยให้ขณะอันนี้ล่วงไปเนี่ยนะขณะที่ชาวเมืองก็ทําบุญน่ะนะเราก็ควรจะทําพุทธบูชา ขออนุญาตว่ามีสักแห่งหนึ่งมั้ยให้ให้ฉันขอทําบ้าง ทีนี้ที่อื่นก็ทําเสร็จหมดนะเหลือแต่ที่ฤาษีทํานี่มัน ที่ที่นั่งเป็นต้นเนี่ยนะมีฤาษีที่อินเดียสมัยนี้ยังมีอยู่เมื่อไม่ ฤาษีนี้ความที่ท่านเนี่ยทรงไตรเพทอยู่แล้วเรียนคัมภีร์มหาบุริสลักษณะมาเป็นอย่างดีพอเหลือบตาดูจะรู้เลยว่าผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยแหละคือคือเค้าเรียนคล้ายๆกับว่าพวกที่เรียนสายสายที่เรียกว่าหมอดูอ่ะนะที่ดู <departed. |mt|>.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 ก็มากแล้วไม่ค่อยมีใครที่จะเอ่อสามารถจะบรรลุภพ 1 นาทีเนี่ยนะบรรลุทันทีเลยแต่แต่ท่านไม่เอาเนี่ยนะประโยชน์อะไรด้วยการที่ trasโร ด้วยเนี่ยนะเราข้ามแล้วก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราปรินิพพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นปรินิพพานด้วยเรา อันนั้นท่านทั้งหลายจงดูฤาษีนี้เนี่ยนะ เนี่ยนะมีพ่อชื่อว่าพระเจ้า มันก็มีประชาชน ไอ้พวกที่บอกว่าคอยเนี่ยนะฐานนี้ฉันอ่ะจะไปคอยฐานน่ะพวกนั้นไม่ได้ นะเป็นหมื่นๆคนพระนางพิมพ์พานี่ก็มา 8 ดอกจะมาบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกันพอมาเห็นฤาษีเค้า เอ่อเชิญนางสุมิตานี่ก็ 8 ดอกก็ถวายแก่พระ 5 ดอกว่างั้น 5 ดอกนี้ขอท่านจงนะเพื่อจะส่วน 3 ดอกนี่เป็นของฉันยัง พระฤาษีคือสุเมธบัณฑิตเนี่ยหลังจากที่ผู้เอ่อพุทธบริษัททั้งหมดทั้งเทวดาและมนุษย์เป็นต้นเข้าเข้าไปกันหมดแล้วสุเมธฤาษีก็นั่งขัดสมาธิเนี่ยนะ ข้อ 2 ถ้าท่อนไม้คว้างขึ้นต้องตกคนครรแก่ถ้า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 เธอที่บอก นะถ้าปรารถนาจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะท่านต้องบําเพ็ญบารมีเพราะฉะนั้น เช่นนั้นเหมือนกันนั้นเหมือนกันนะนะนั่นก็บําสมทานซึ่งเอ่อเป็นความสุดจริต มีฌานเป็นบาดอธิษฐานอย่างมั่นคงว่าเราจะต้องให้ทานเหมือนกับ หมายความว่าชีวิตจะตายไปก็ช่างจะขอบำเพ็ญศีลบารมีเพราะศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ได้บรรลุ 2 คือศีลบารมีก็ตรวจหาค้นไปอีกก็เห็นบารมีข้อ 3 คือเนกขัมมะบารมีว่าท่าน ก็ธรรมดาคนที่ท่านจงเห็น ว่าท่านจะต้องเข้าไปถามผู้มีปัญญาทั้ง เนี่ย ถ้าบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินนี้ต้องสมาทานจิตให้เป็นอย่างนั้นนะต้องบำเพ็ญขันติ ดาวดวงหนึ่งที่โคจรไม่ว่าจะท่านท่านรักษาสัจจะของท่านเหมือนกับท่านก็เลยสมาทานเมตตาบารมีถามว่าเหมือนอะไรเหมือน ใครจะอาบก็ชำระของสกปรกได้หมดฉันใดเพราะฉะนั้นท่านจะต้องจิตท่านเหมือน ก็ 10 ก็ใคร่ 10 พิจารณาทั้ง 1 คือทานไปจน มีพิจารณาทบทวนสลับไปสลับมาแล้วก็สมาทานอธิษฐานเอาไว้มั่นคงอยู่ที่